เรื่องของสมาธิบางทีบางท่านบริกรรมภาวนาจิตอาจจะไม่สงบเป็นอัปปนาสมาธิทันทีเพียงแต่สงบลงไปเป็นอุปจาระสมาธิคือมีอาการเคลิ ม, ล, มลงไปแล้วก็สว่างจิตยังมีความรู้สึกสัมพันธ์กับร่างกายอยู่แล้วก็มีความมุ่งหมายที่จะทำให้จิตให้ไปถึงอัปปนาสมาธิชนิดที่เรียกว่าสงบนิ่งลงไปแล้ว ร่างกายตัวตนไม่ปรากฏในความรู้สึก ท, ทั้งที่ทำไม่ได้ก็พยายามที่จะทำอยู่อย่างนั้นเพราะไปหลงเชื่อคาว่าต้องทำจิตให้เป็นอัปปนาสมาธิถ้าหากท่านผู้ใดปฏิบัติแล้วมีภูมิจิตเกิดขึ้นมีลักษณะ ด, ดังที่ว่าก็ไม่ต้องไปมุ่งหมายที่จะเอาอัปปนาสมาธิพอทำจิตให้สงบเป็นอุปจาราสมาธิบ่อย พอที่จะประคับประคองจิตให้น้อมไปสู่การพิจารณาแนวทางพระไตรลักษ์คือพิจารณากายและความรู้สึกน้อมไปสู่พระไตรลักษ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็รีบกำหนดพิจารณาทันทีไม่ต้องคอยจิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิปฏิบัติไปทำนองนี้ก็ยอมจะเกิดผลแก่ผู้ปฏิบัติเหมือนกันถ้าหากต่างว่า เราจะคอให้จิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิซะก่อนเข้าฌานให้มันได้ชำนิชำนานก่อนแล้วจึงไปพิจารณาพระไตรลักษ์หรือยกจิตขึ้นสู่ภูมิปัสนาถ้าเผื่อว่าชั่วชีวิตนี้เราทําอย่างนั้นไม่ได้เราจะมิตายเปล่าหรือการทำจิตให้นิ่งเป็นอัปปนาสมาธิหรือเข้าฌานได้อย่างชำนิชำนาญ น, นั้นผลประโยชน์ของการชานานในการเข้าฌาน จำนานในการทำสมาธิทำให้เกิดอิทธิฤทธิ์แต่เหตุผลนั้นยังไม่เพียงพอเพราะท่านอาจารย์เทศท่านว่าจิต ท, ที่เป็นสมาธิอยู่ในชานั้นเป็นสมาธิที่โง่เพราะจิต ท, ที่เข้าชานั้นจะต้องเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นอาการที่ว่าความรู้ภูมิจิตภูมิธรรมก็ไม่เกิดขึ้นครูบาอาจารย์ท่านก็ยืนยันว่า สมาธิในฌานเป็นสมาธิที่โง่แม้แต่โดยหลักท่านก็ยืนยันไว้ว่าถ้าจิตไปติดอยู่ในความสงบในฌานคือขั้นสมถะเท่านั้นอย่างดีก็ให้เกิดอภิญญาสามารถที่จะทำริษต่างๆได้สามารถที่จะรู้ใจคนอื่นได้สามารถที่จะรู้สิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นอยู่ภายในซึ่งเราไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่เหตุผลที่จะพึงทำให้หมดกิเลสนั้นยังไม่มี ผู้สาเร็จฌานแล้วจะต้องมาเวียนไหวตายเกิดเพราะจิตไม่มีปัญญาลักษณะการรู้จริงเห็นจริงที่เรียกว่าอภิญญารู้ใจคนอื่นรู้เหตุการณ์ล่วงหน้ารู้เรื่องในอดีตที่ล่วงมาแล้วนานๆในลนักษณะอย่างนี้ไม่ได้จัดเข้าอยู่ในลนักษณะปัญญาที่จะเอาตัวรอดได้จากอำนาจของกิเลสเพราะฉะนั้นสมาธิในฌานจึงเป็นสมาธิที่ไม่สามารถจะทาผู้ปฏิบัต ให้สำเร็จมรรคผลนิพพานได้ถึงจะมีบ้างก็มีจำนวน น, น้อยแต่สมาธิที่อยู่ในอริยามรรคคือจิตสงบประชุมลงพร้อมที่หรืออริยามรรคประชุมพร้อมที่จิตนั้นสามารถทำจิตให้มั่นคงและดำรงอยู่ในความปินกลางเป็นจิตมีอริยามรรคเป็นเจตสิกประคับประคองอยู่ที่จิตจิตอยู่ที่อริยามรรคอริยามรรคอยู่ที่จิตจิตเป็นอริยามรรค อริยมรรคเป็นจิตแม้จะอยู่ในลักษณะสมาธิขั้นอ่อนๆจิตจะมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็รู้รู้แล้วไม่ยึดถือปล่อยวางไปอาการที่จะสวยอารมณ์ในขณะที่รู้เห็นอะไรขึ้นมานั้นไม่มีคือจิตไม่มีอาการซึมซาบเข้าไปในสิ่งที่รู้นั้นเพราะไม่มีความยึดทำไมจึงเป็นเช่นนั้น เพราะสิ่งที่รู้เห็นขึ้นมานั้นเป็นภูมิปัญญาของจิตซึ่งถูกอริยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาประชุมพร้อมกันลงแล้วสามารถปฏิบัติภูมิจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมขั้นสูงไปเป็นลำดับซึ่งจิตมีลักษณะอย่างนี้ในขั้นต้นจะรู้อะไรก็ตามสมมุติเรียกว่ารู้ธรรมก็แล้วกันอารมณ์ก็คือธรรม ธรรมก็คืออารมณ์ธรรมในที่นี้คือธรรมะนะครับในเมื่อรู้อะไรขึ้นมาแล้วในตอนต้นๆยังจะมีส ม, มุติบัญญัติเรียกว่าอะไรอยู่ในตอนนี้เป็นภูมิความรู้ของจิตซึ่งอยู่ในลักษณะในขั้นของอุปจารสมาธิอ่อนๆซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติในขณะที่จิตสงบลงไปแล้วความรู้สึกภายนอก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 เด่นสว่างสวยและสิ่งที่ให้รู้มีปรากฏการเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ความรู้ในขั้นละเอียดนั้นไม่มีอะไรจะไปมีความสำคัญมั่นหมายสมมติบัญญัติเรียกชื่อสิ่งนั้นว่าอะไรอันนี้เป็นธรรมชาติของภูมิจิตภูมิธรรมที่เกิดขึ้นในระดับสูงในระดับละเอียดซึ่งอยู่เหนือสมมติบัญญตัติซึ่งเราเรียกว่าสัจธรรมเกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติ ตัวจริงของท่านผู้นั้นก็เป็นสัจธรรมความรู้ของจริงที่เกิดขึ้นก็เป็นสัจธรรมเพราะฉะนั้นสัจธรรมกับสัจธรรมในเมื่อมาบรรจบกันเข้าจึงเรียกชื่อกันไม่ถูกมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่อย่างนั้นเป็ตรงกับคำในธรรมจักรกับปวัฒนสูตรที่ว่ายังกินจสมุทยธรรมมัง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 เพราะในขณะที่รู้ของจริงนั้นมีแต่เพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นมันอยู่เหนือสมมุติบัญญัติอะไรที่เราสมมุติบัญญัติได้อยู่สิ่งนั้นไม่ใช่สัจธรรมนั่นก็เป็นเพียงสมมุติความรู้จริงเห็นจริงมันอยู่เหนือสมมุติบัญญัตินี่ขอให้ทุกท่านจงสังเกตดูตรงนี้ให้ดีถ้าหากว่ามีภูมิจิตภูมิธรรมปรากฏขึ้นแล้วให้สังเกตดูให้ดี ความรู้ธรรมะในคั้นละเอียดของจิตนั้นเป็นแต่เพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏให้รู้อยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งที่เราจะไปสมมุติบัญญัติจิตก็นิ่งเด่นอยู่เฉยๆภูมิความรู้ก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆทีนี้มีปัญหาว่าภูมิความรู้อันนั้นมาจากไหนมาจากจิต จิต ท, ที่มีปัญญาอันละเอียดเฉียบแหลมสามารถปรุงความรู้ขึ้นมาความรู้อั น, นั้นคือปัญญาที่เกิดขึ้นกับจิตตัวที่นิ่งเด่นอยู่นั้นคือตัวพุทธะผู้รู้ผู้รู้เท่าเอาทันจึงไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้อะไรก็เฉยรู้อะไรขึ้นมาก็เฉยเพราะมันเป็นภูมิปัญญาของจิต ท, ที่ฝึกฝนอบรมดีแล้ว จิตจึงไม่วันไหวจิตจึงไม่ติดสิ่งเหล่านั้นในขณะนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์สะอาดไม่มีกิเลสตัณหาอุปาทานจิตจึงมีปรากฏการ์อย่างนั้นถ้าจิตท่านผู้ใดเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดการไม่กลับกรอกก็ได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์นี่พึ่งสังเกตและทำความเข้าใจอย่างนี้ถ้าหากเราทำอย่างนี้ได้บ่อย แม้ว่าเราออกจากการนั่งปฏิบัตินั่งสมาธิหลับตามามามองดูโลกและเข้าสู่สังคมในเมื่อเราประสบอารมณ์ต่างๆในสังคมที่เราจะต้องกระทบกระเทือนหรือรับผิดชอบอยู่นั้นความรู้สึกของเราจะเพียงว่าสักแต่ว่าคือพูดก็สักแต่ว่าพูดคิดสักแต่ว่าคิดทําสักแต่ว่าทําอันนี้คือสมาธิในภูมิธรรมในอริยมรรค แม้ออกมาจากการนั่งหลับตาสมาธิแล้วสมาธิก็ยังมีปรากฏอยู่ตลอดเวลาคือตัวสติที่มีกำลังกล้าและเข้มแข็งอยู่นั่นเองจึงดูคล้ายกับว่าจิตมีความสงบอยู่ตลอดเวลาส่วนที่สงบก็ปรากฏอยู่ส่วนที่ออกมาบงการทำงานก็มีปรากฏอยู่นี่คือสมาธิตามแนวทางของพระพุทธเจ้าทาสมาธิเป็นแล้ว มีภูมิจิตภูมิธรรมสามารถรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วเราสามารถเอาภูมิธรรมภูมิจิตมาประกอบประโยชน์ตามวิถีทางของชาวโลกตามวิธีทางการครองบ้านครองเรือนได้อย่างสบายถ้าสมาธิอันใดบำเพ็ญ ด, ดีแล้วปฏิบัติได้ดีแล้วคือว่าอยู่ในขั้นดีตามความนิยมของผู้ปฏิบัติมีภูมิสมาธิสงบดีมีภูมิธรรมสงบขึ้น เกิดเบื่อหนายต่อครอบครัวเกิดเบื่อนายต่อโลกไม่เอาไหนไม่อยากจะเข้าสู่สังคมไม่อยากจะทําประโยชน์ต่อใครๆอยากจะปลีกตัวหนีไปสู่ป่าคนเดียวทํานองนี้สมาธิอันนั้นอย่าเพิ่งไปเชื่อให้พิจารณามันให้รอบคอบถ้าหากพระพุทธเจ้าสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้ามีสมาธิมีพระสติปัญญาดี เมื่อสำเร็จแล้วเกิดมีความเบื่อหน่ายต่อโลกไม่อยากอยู่กับโลกไม่อยากโปรดสัตว์โลกแต่พระองค์อาจได้เป็นเช่นนั้นไม่เมื่อสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วในบางตอนต้นๆแรกๆนั้นมาพิจารณาว่าธรรมะที่ตรัสรูน้นี้มันเป็นของละเอียดสุ ข, ขุมยากที่เวนยศาสตร์พึงรู้ตามเห็นตามได้บางครั้งก็รู้สึกท้อแท้ในพระไทยไม่อยากจะแสดง กลัวจะไม่มีผู้รู้ธรรมหรือรู้ตามจนกระทั่งมีผู้กล่าวว่ามีเท้ามาหาพรหมลงมาอาราธนาให้พระองค์ทรงแสดงธรรมความจริงเท้ามาหาพรหมที่มาอาราธนานั้นก็คือพรหมิหารที่อยู่ในพระทัยของพระองค์นั่นหละมากระตุ้นเตือนให้พระองค์รู้สึกสำนึกในจารีตประเพณีของผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้า ต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่อบรรดาเวเนยสัตว์ทั้งหลายเมื่อพระองค์ตัดสินพระไทยแสดงพระธรรมเทศาาเนาแก่เวเนยสัตว์คุณธรรมนั้นจึงได้ชื่อว่าพระมหากรุณาธิคุณเป็นพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ของพระองค์ข้อหนึ่งในบรรดาพระคุณทั้งสามประการและพระองค์ก็ทรงทําประโยชน์แก่โลกอย่างกว้างขวางจนสามารถประดิษฐาน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 ไม่ยึดถือโลกด้วยอำนาจของกิเลสจะมีก็มีแต่ความเมตตามีความหวังดีอันนี้คือวิธีจิตของผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าจะพูดให้ชัดๆลงไปสมมุติว่าพ่อบ้านนั่งสมาธิภาวนาเป็นผู้มีภูมิจิตภูมิธรรมเบื่อหน่ายครอบครัวอย่าจะหนีจากครอบครัวอันนั้นก็ยังไม่ถูกต้องแม่บ้านภาวนาเป็นแล้ว มีภูมิจิตภูมิธรรมเกิดเบื่อหน่ายต่อการที่จะทำกับข้าวกับปลาหุงข้าวหุงปลาให้ครอบครัวรับประทานอันนั้นก็ไม่ชอบด้วยเหตุผลในเมื่อทำเป็นภาวนาเป็นรู้ธรรมเห็นธรรมมีภูมิจิตมีภูมิธรรมดีจะต้องมีความรู้สึกสำนึกในหน้าที่ที่ตนจะต้องรับผิดชอบเป็นกิจวัตรประจวาวันดียิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่น นางกุลธิดาซึ่งเป็นลูกสาวเศรษฐีและก็เป็นพระโสดาบันตั้งแต่ยังเด็กยังเล็กบังเอิญเพราะผลกรรมบรรดาลให้ไปเป็นภรรยาของนายพรานผู้จับสัตว์ป่ามาขายท้องตลาดทาั้งทั้งที่ท่านผู้นั้นเป็นพระโสดาบันเวลาสามีของท่านจะเข้าป่าไปจับสัตว์ท่านก็เตรียมสเสบียงอาหารให้เตรียมเครื่องมือให้แต่ภายในจิตของท่านไม่ได้นึกว่าให้เขาไปจับสัตว์ให้ได้มามากๆ จนกระทั่งมีพระสังฆาจารย์ตั้งเป็นปัญหาขึ้นมาว่าการที่พระโสดาบันกระทาเช่นนั้นจะไม่ผิดคุณธรรมของพระโสดาบันหรือพระอธถกาจารย์ก็แก้ว่าไม่ผิดเพราะท่านปฏิบัติตามหน้าที่ของความเป็นภรรยาที่ดีอันนี้เป็นคติตัวอย่างเพราะฉะนั้นผู้ใดสำเร็จคุณธรรมแม้จะได้ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตนหรือมีภูมิจิตภูมิธรรม ตามสมควรก็ตามคือได้เป็นอริยบุคคลอย่างที่ไม่มีใครรู้ก็ตามยอมจะมีความฉลาดในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบอยู่เป็นอย่างดีจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในสัมธาทิฏฐิมีความเห็นชอบและก็มีศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องประครับประคองจิตจิตยอมดาเนินไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมที่ถูกต้อง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 ย้ำอยู่ที่ของเก่านั่นแหละอย่าไปเปลี่ยนเพื่อทำให้ํานีชํำนานเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงและภูมิจิตภูมิธรรมมันจะค่อยๆขยายวงกว้างออกไปเป็นลำดับลำดับถ้าจับโน่นวางนี้ไม่เป็นหลักฐานมั่นคงแล้วจิตของเราก็จะกลายเป็นจิตที่ไม่ยึดหลักหรือวิหารธรรมเครื่องอยู่ไม่แน่นอนการปฏิบัติก็จะไม่ประสบผลเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นไรยึดหลักอะไรปฏิบัติ ก็ยึดให้มันคงลงไปเราจะพิจารณาหลายๆอย่างในเมื่อความรู้ความเห็นเกิดขึ้นก็อยู่ในลักษณะเดียวกันนั่นแหละอยู่ในลักษณะเห็นความรู้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาอันเดียวกันนั่นแหละเอาสิ่งสิ่งเดียวเป็นเครื่องหมายเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบ่อยๆเข้า เมื่อจิตมันรู้ซึ้งเห็นจริงอย่างเดียวเท่านั้นมันก็ถอนอุปาทานการยึดมั่นถือมั่นไปเองกิเลสตัณหามันก็ค่อยหมดไปเองเพราะฉะนั้นจึงยึดหลักให้มั่นคงคือว่าเราสามารถจะทำได้ทุกอิริยาบถหลับตาก็ทำได้ลืมตาก็ทำได้นอนทาก็ได้ถ้าเราไม่นึกอะไรบริกรรมภาวนาในใจเราก็กำหนดไว้ที่ใจ รู้อะไรแล้วก็ตามรู้ให้มันทันความคิดคิดอะไรขึ้นมารู้ทันรู้ให้ทันเราทำอะไรให้มันทันการกระทำของเราพูดอะไรให้ทันตามคำพูดของเราให้มีสติอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นการทำสมาธิไม่ต้องบริกรรมภาวนาอะไรก็ได้สำคัญอยู่ที่การทำสติเช่นอย่างท่านสอนว่า นั่งหนอกินหนอเดินหนอยกหนออันนี้คือการทําสติเป็นการปฏิบัติสมาธิอย่าเอาไปเถียงกันนั่นคือการทําสติไปได้ในหลักมหาสติปัะธานที่ว่าก้าวไปก็รู้ถอยกลับก็รู้คูเหยียดก็รู้แล้วก็นึกคิดอะไรก็รู้รู้อยู่ตลอดเวลามันก็เหมือนกันนั่นแหละอย่าไปเถียงกันการปฏิบัติ ถ้ามัวไปเถียงกันนักปฏิบัติในศาสนาพุทธแทนที่จะช่วยกันทำความเจริญแล้วก็ไปทะเลาะ ก, กันเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกันอะไรทำนองนี้อันนั้นมันเป็นวิธีการแต่ผลที่มันเกิดขึ้นภายในเราจะรู้จริงเห็นจริงนั้นมันเหมือนกันหมดลักษณะ ส, สังเกตการทำสมาธิ ถ้าหากเราทำสมาธิที่ถูกต้องภูมิจิตที่มันเป็นสมาธิที่ถูกต้องนั้นจะมีลักษณะบ่งบอกว่าสมาธิจะต้องทำกายให้เบาทำจิตให้เบาเบาจนกระทั่งบางครั้งเรารู้สึกว่าไม่มีกายมีลักษณะของสมาธิที่ถูกต้องแล้วเมื่อเลิกปฏิบัติคือออกจากสมาธิแล้วก็ทำให้กายเบาตลอดเวลาแม้แต่จะลุกจากที่นั่งนี้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 สมาธิอย่างนี้พล้ายกับมีอำนาจอะไรอย่างหนึ่งบ้างจะเรียกว่าอำนาจสะกดจิตก็ได้คือการสะกดจิตนั้นมีอยู่หลายอย่างสะกดด้วยอำนาจคาถาอาคมบริกรรมภาวนาก็มีอย่างคนที่ปลุกพระนี้พออพระใส่มือแล้วก็ภาวนานัมะพะทะนัมะพะทะนัมะพะทะเดี๋ยวก็สั่นขึ้นสั่นขึ้นสั่นขึ้นนั่นถูกอานาจสะกดจิตแล้ว อำนาจอะไรอำนาจคาถาบริกรรมภาวนาคาถาในทางศยศาสตร์บางอย่างบริกรรมภาวนาแล้วจะทำให้เกิดปีติอย่างแรงอาการสั่นนั้นคืออาการปีติทีนี้ปีติมันเกิดขึ้นอย่างแรงไม่มีขอบเขตก็มีอำนาจบังคับจิตของเราบางทีบังคับจิตของเราให้ไปดูโน่นดูนี่อะไรในที่ต่างๆในทำนองนั้น ถ้าใครทำได้ก็ดีอยู่หรอกอย่าไปหลงให้มันรู้เท่า